เห็นไหมเจนีร้องเพลงแล้วเนี่ยมันมันเห็นพวกเรามามากอ่ะแล้วมันก็เลยร้องเพลงให้ฟังเห็นไหมเนี่ยเออเออเออเออเออเอเออเอเนไหมจนีสีดำเจนีตัวนี้หลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าไอ่สมชายเออเจนีสมชาย อายุยืนนะตั้งแต่มาสร้างวัดใหม่ๆมันมาแล้วนะเอามาแล้วเดี๋ยวนี่มันยังอยู่มันยักระโดดโลดเต้นต้นไม้ได้อยู่โอ้หลวงพ่อช น, นีอายุยืนกว่ากว่าหมาหมาของเรานี่ยอายุแปดเก้าปีนะอายุของหมาพื้นบ้านนะถ้าอายุหมาฝรั่งนี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกปีเป็นอย่างมากกระตายแลวหมาไ่ต้องให้อาหารฮะาารไม่มันมันทำมันหิวมันก็มา ถ้ามันหิวมาตะกรอนมันมามาแล้วก็พวกไอ้กล้วยบังอ่พวกไอ้แอปเปิลบงังอาหารเราชุดท้ยเราจะให้มันแต่ทุกวันนี้พอเห็นแอปเปิลมามันมองเห็นแล้ยมันเฉยโยนเข้าไปมันก็ไปรับเพราะฝันมันไม่มีเออถ้าเห็นกล้วยมาเออในระหว่างนั้นเถอะเออถ้าเห็นถ้าเห็นแตงโมบงังเห็นกล้วยบางเนี่ยเอออันนั้นชอบ แต่พอเห็นของแข็งแขงโยนขึ้นไปเนี่ยแปว่าไม่รับเลยงั้นเถอะกิดไม่ได้ะแต่ว่าตาเขามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ตาเขามันดูๆใกล้ๆเข้ามันตาขนมมันค่อยๆว่าเป็นตาฝ้าขาวๆข้างหนึ่งเออชนีมันก็ใช้กำมันกันตาไม่ดีข้างหนึ่งแต่โดยมากมันเวลาเห็นฝูงลิงไปเนมันจะไปกับฝูงลิงอลิงก็ไม่อยากให้มันเป็นหมูอีกทีหนึ่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 ตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกหลานนะหลวงพ่อได้ยินแล้วก็นเนี่ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนีคณะหนึ่งแล้วก็การสื่อสารการตลาดอีกคณะหนึ่งที่มาด้วยกันสองคณะเป็นคณะที่สําคัญทั้งหมดนะลูกหลานนะแต่ว่าต้องพยายามเรียนให้เข้าใจให้เก่งนะไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่เราเที่ยวไม่ใช่เราเล่นไม่ใช่เราทะเลาะถลายเราต้องเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียน พอเรียนจบแล้วเราไปทํางานที่ไหนบริษัทท่างร้านเขาไหนเขาก็รับหมดเพเห็นไรเพราะว่าความสามารถเรามีแต่ถ้าลูกหลานเรียนแต่สั ก, กว่าเรียนอพอผันผ่านไปเท่านั้นเองเพราะยังไงมันก็ต้องจบไปแล้วจะเข้าราชภัฏน์พอเรียนจบไปแล้วทีนี้ไปทํางานที่ไหนเอาสมัครคิดคอมพิวเตอร์ให้ดูสิทําไม่เป็นไนีอ่อ้าวเขาจะรับให้ทํางานทําไมใช่ไหมเงินเดือนมืน่นตั้งหมื่นห้าใช่ไหมล่ะเออ เขาจะรับทำไมเนี่แหละมันบอกเจ้าของบอกยี่ห้อตัวเองไดเโอ้เรานี่แย่มากเลยทาไมสมัยเราไปเรียนหนังสือทำไมเราไม่ได้สนใจแต่ประเีศเราจะมาทำงานเขาจะไปรับเราได้ยังไงเพราะเราทำงานไม่เป็นนี่แหละการสื่อสารองเหมือนกันการสื่อสารการตลาด เ, าเพราะว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ปีห้าปมั้งประเทศไทยของเราก็จะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วนี่ย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 จุดนี้ ล, ลูกหลานต้องคิดนะลูกหลานรุ่นหัวใหม่นะอันนี้หลงปู่หลงตาอยู่ในปา่าดงพงไพเนะ่ะหลงตาคิดได้นะถ้าสู้เจ้านะ่ะไม่เก่งภาษาอังฤษนะสู้เจ้าจะเก่งเอการกระทําฝีมือขนาดไหนก็เถอะจังเป็นลูกน้องของคนที่ได้ภาษาเพราะนั้นเรื่องภาษาจะมองข้ามไม่ได้นะลูกหลานนะโดยเฉพาะยังจิ้งคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าการสื่อสารเกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยเนะี่ยอืมเกี่ยวกับคนทั้งนั้นเลยเราจะต้องเข้าไป อูชุมชนและสังคมประชาคมอาเซียนอีกไม่นานเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะการเรียนให้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนให้ดีให้เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจให้ถามครูบาอาจารย์ของเราให้ศึกษาให้มั่นใจให้ศึกษาให้ถามไม่ใช่ว่าเรียนไกลๆไปแล้วจบๆไปพอจบไปแล้วเนี่ยทําอะไรก็ไม่เป็น น, ะนั่นแหละบอกยิ่งห้อตัวเองเลยทีนี้โอ้กูทําไมโง่นักวะ อยู่กับครูบาอาจารย์ทำให้กูไม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะ่ะทําไมค่าออกมานี่ยค่าจริงๆว่ากะว่างโง่ทีนี่มันทําอะไรไม่เป็นนะขนาดนั้นจะทํายังไงได้ล่ะผลที่สูดก็เลยนะไปทําไร่ทํานาทารั้วทาสวนไปกีดยางอีกอย่างเก่าทั้งที่มันจะได้ทํางานจบมาออคอมพิวเตอร์ธุรกิจและกัการถือร่อสารการตลาด เ, เป็นวิชาที่ดีทั้งนั้นเลยพนันให้ลูกหลานนะ เป็นวัยเรียนนะลูกหลานนะไม่ใช่วัยเที่ยววัยเตรนะเที่ยวเตรนมันเรื่องที่หลังหรอกให้ตั้งให้ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานให้ตั้งอก ต, ตั้งใจเรียนหนังสือนะช่วงนี้เป็นช่วงเรียนตรงเรียนให้หนักตรงไหนที่ไม่เข้าใจให้ถามครูบาอาจารย์แต่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถึงยังไงจะไม่ใช่วิชาของตัวเองก็ควรจะศึกษาควรจะเรียนเอาไว้นะวิธีหลวงพ่อสอนบอกะ วิธีเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะลูกหลานนะ อ, อที่ท่านได้ด็อกเตอร์มาแล้วท่านบอกบอกกับหลวงพ่อนะ อ, อท่านบอกท่านตะกอนเนอะท่านบรรนอกเรียนภาษาจ า, ากภาษาอังกฤษเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยท่านเอาปากกาเมจิกเขียนเขียนเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้เลยไงไก่ตัวผู้ว่าไง ไ, ไก่ตัวเมีย ว, ว่างไงลูกไก่ว่าอย่งไงเขียนแกรนแปลแปลเสร็จแล้วก็ไปติดสกระดาษไว้ข้างฝาใช่ไหม เออเสียแล้วก็เขียนกระติดติดไว้เต็มไปหมดเลยทั้งสองข้างภาษาอังกฤษตัวใหญ่เภาษาใสายสับไหนยากๆกระเขียนใส่การที่จะพูดคํานี้ไปหาคำนั้นคำนั้นโยงมาหาคํานี้เราจะเราจะโยงเขาว่าอย่างไงนะคานี้ตกคํานั้นแล้วคนอย่างนี้โยงไปหาผู้หญิงกับผู้ชายอย่างนี่เราจะดูนักธุรกิจโยงไปหาว่าอย่างไงข้าวไปเจ้าของเขาเขากข้าวไปเจ้าว่าอย่างไงอแล้วเราจะพูดกับประธานาธิบดีว่าประธานาธิบดีพูดเกี่ับข้าวว่าอย่างไง มันปีนามศัพท์ของเขาแล้วก็จดจ ด, จ ด, จดไว้ ต, ต, ติดติดติดติดไว้เลยทีนี้พอเข้ามาเรานอนมันก็เข้าสมองเอาทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยอาจากนั้นมันก็เก่งเองทีนี้นี่แหละเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ า, อาพอจะอ่านพอเขาจะตอบเท่านั้นเองยังค่อยหาเส้นสองอย่างนี้นะจะไปเรียนจําได้ยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นฟังไว้นะลกูกหลานนะอันที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่ออยู่ป่าสอนนะ สอนแบบปับป่าสอนแบบธรรมชาติเข้าใจไหมไม่ใช่สอนแบบหลักวิชาการอย่างที่ว่าน่คือเรียนภาษาอังกฤษเราจะอยากจะเรียนให้ได้เร็วแล้วว่านั่นแ่ะต้องเขียนไว้เลยเนี่ยรอบห้องนอนของเราเอาอะไรกาวติดไว้ข้างบนติดไว้ข้างล่างเลยเป็นแผ่นๆพออ่านจบเสร็จแล้วเออจำได้แล้วก็เชออกเอาตไหมายเข้าไปแทนเอกนี่แหละเรียว่าหัวข้อจะเป็นวิทย์เป็น อังกฤษเป็นอะไรก็ตามที่เราจํายากเอ๊ะสับเนี่มันจํายากไอพอกลับไปถึงแล้วก็เขียนเขียนเขียนเขียนเลยเออเขียนแล้วก็ติดไว้เอจากนั้นมากันเราลืมตาขึ้นใหม่แล้วก็เห็นเลยเอเ๊ะเวันนี้ครูเขาจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็อ่านอ่านอ่านดู น, น, น, น, น, น่ะนั่นแหละผลที่สุดพวกเรานี่ยโอยเมียฝรั่งในสู้เราไม่ได้หรอกเข้าใจไหม เมียฝรั่งสู้เราไม่ได้เราต้องเก่งกว่าทุกวันนี้เพนไหมเมียฝรั่งเมืองอุดรของเราต่างเยอะแยะเลยมันยังพูดภาษาผิดภาษาถูกอผลที่สุดมันยังพูดภาษาได้ใช่ไหมเราต้องพยายามให้เก่งกว่านั้นอีกใช่ไหมต้องรู้จักศัพท์รู้จักแสงต้องเรียนภาษาต้องให้ได้นี่แหละหลวงพ่อบอกว่าไนงะประเทศไทยเป็นเอกราชมาตั้งนมนานไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยในละแวกนี้ พอมาเข้าประชาคมอาเซียนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย เ, เมืองไทยของเราตกเป็นอันดับแปดในสิบประเทศเมันจะเป็นรองใครของมรุภูมนะิพรรองเขเมรแล้วรองลาวแ่้วรองพม่าวะน่าอดสูดูรายจริงๆการศึกษาของเมืองไทยทำไมลูกหลานลูกหลานได้ตรวจตาดูตนเองไหมแต่ละวพี่จะลอนลูกหลานเที่ยวใช่ไหม อ่านหนังสือออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นไงยืนมานั่งนั่งอยู่แถบนี้หลวงพ่อยังสงสัยเลยเกินตกเป็นอันดับ8ดชุดพวกเราได้ยินไหมขนาดหลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อรู้นะโอ้ตายตายตายหลวงพ่อการศึกษาเมืองไทยทำไมแย่ถึงขนาดนี้เป็นยังไงในสมาคมอาเซียนโดยกัรเนี่ยตกเป็นอันดับ8หลวงพ่อได้ย <man> ินหลวงพ่อก็จะดุงอีกเหมือนกันทําไมก็เพราะว่าหลวงพ่อว่าส่วนหนึ่งก็คือเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ใช้ไม่เลียว ตัวนี่แหละตัวที่ไม่ใช้ไม้เหลียวตัวนี้แหละหลวงพ่อว่าเป็นจุดด้อยของของเมืองไทยถ้าไปเรียนอย่างฝรั่งฝรั่งเขาไม่ใช้ไม่เหลียวกระจริงอยู่แต่เขาทําวิธีการยังไงเขาสอนอยังไงเขาไม่ใช้ไม่เหลียวของเขาเออเขาต้องสอนมาจากครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาสอนดีแล้วจึงมาโรงเรียนพอโรงเรียนเสนร็จแล้วโรงเรียนมีระบบยังไงสอนเด็กเหล่านั้นเด็กของเขามีระเบียบมีวินัยดีมากไปที่ไหน อ, อฝรั่งเยอปุ่น พวกเศนกระดกเศษกระดาษเห็นที่ไหนใครเห็นเก็บใส่กระเป๋าไปถึงถังขยะแล้วก็ควักทิ้งใส่กระเป๋าหรือทิ้งพลาสติกอันนั้นคือเด็กฝรั่งเด็กยุโรปแต่เมืองไทยของเรานี่เ <laughs> ท้งไปหมดเลยไม่มีมรารยาทเลยลูกหลานได้เห็นไหมแต่นต้จะไม่ให้ใช้แม่เหลียวจะทำยังไงมันต่างกันทางเยอะแยะถ้าเอาเขามาอา๋อต้องเอาทั้งรุน่น เอาตั้งแต่เลื้อเลื่องออกมาเอาวิธีการสอนมามาถึงจุดนี้มันจึงจะได้อันนี้มาหยิบเอาแต่หน่อยเดียวท่านเองไม่ให้ใช้ไม้เรียวท่านเองแย่ yeah. การศึกษาของเมืองไทยนี่แหละหลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อวิเคราะห์นะหลวงพ่อวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยที่เมืองไทยเราเรียนตตยหนังสือมตกด้อยเพราะอะไรเพราะขาดไม้เรียวบางทีเด็กดื้อเขต้องใส่ไม้เรียวถ้าคนดื้อก็ต้องจับเข้าคุกต้องขังไว้มันดื้อ เออมันทำร้ายคนเออทำไมคนอยู่ด้วยกันทำไมทำร้ายเขาต้องจับเข้าคุกเออเพราะมันผิดกฎหมายถ้าเด็กดื้เออถ้าบอกไม่ฟังก็ต้องเอาใช้ไม้เลียวอันนี้คือธรรมชาติการสอนกันเออถ้ามันดีแล้วจะจะไปใช้ไม่เลียวทำไมใช่ไหมล่ะหนังสือหลวงพ่อแล้วนี้เนะี่ยหลวงพ่อส่งเสริมให้ใช้ไม่เลียวคือไม่ใช่หลวงพ่อส่งเสริมนะหลวงพ่อยกนิทานให้ฟัง สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ยเฉลต์ประทับอยู่ที่กรุงสาวัรถิพร้อมกับพระสงฆ์มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่กลุ่มหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องเด้อด้านพระสงฆ์ก็เลยพระพุทธเจ้าเรียกมาแล้วกระดุกดุพระสงฆ์แต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่น่าดุใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จะดุคนทําไมใช่ไหมแต่ท่านก็ต้องดุคําว่าท่านบอกว่าคนที่ที่ดื้อด้านต้องดุ คนที่ดีอยู่แล้วต้องยกสรรเสริญแต่คนไม่ดีขม่มภาษาเขาเรียกว่าภาษาภาษาบาลีว่านิคไขหะนิครหะแปลว่าขม่มปักขไขหะแปลว่ายกย่องคนที่ทำดีต้องยกย่องคนที่ทำไม่ดีต้องขม่มอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธองค์พ่าพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งนะก่อนหน้านี้นะทิสซาปาโม่เคยเขียนมาแล้ว เคียนพระองค์เนี่ยมันดือ้อท่านที่พระสงฆ์ท่าไหายกราบโทรพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระพุทธเจ้าขายที่ว่ า, ท, วาที่ว่าอาจารย์เคียนลุกสิทธ์นะพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีสมัยนั้นมีทิศะปาะโมกอาจารย์อยู่ที่เมืองตกนะกะศีลาแต่เมืองตะกะศีลาทุกวันนี่คือเมืองทาิบันนะ ทาริบันทุกวันนั่นแหละคือเมืองตะกะศิลาเก่าลูกหลานอยากจะรู้ควาเมืองตะกะศิลาตะกะศิลาอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเมืองทาริบันนั่นแหละเดี๋ยวเนี้ยที่เมืองที่กันดานมากแต่ตอนนี้พวกที่เมืองที่กันดานโดยมากจะมีอัจฉริยะไปเกิดพวกที่อัจฉริยะคือคนที่มีหัวปล่ไปเกิดในในเมืองในเมืองอย่างนั้นจากนั้นก็เนี่ยไปเกิดเขาก็สอนวิชาหมดทุกอย่างเลยเป็นเมืองวิชาเป็นเมืองวิชาการตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ดี เศรษีนี้พ่อค้าในเมืองต่างๆเขาจะหลังไหลไปเรียนที่เมืองตะกะศีลาเมืองตะกะศีลานีเป็นเมืองวิชาประดิษฐ์วิชาให้แก่รัฐกษัตริย์จะเรียนวิชาไหนวิชาลบวิชาพุ่งวิชาใช้ห อ, อกแลนเล้าววิชากลละเมตรวิชาวิคณิตศาสตร์วิทย์เขาเรียนรู้ทั้งหมดก็สอนให้ได้ทั้งหมดแต่ในเท่าเรียนเป็นสองผลัดผลัดหนึงก็คือพวกที่มีเงินเศรษฐีกับกษัตริย์เขาจะเอาเงินไปเอาไปวาง ไปวางให้ทิศัะประโมกเนีพวกหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินแต่ก็อยากจะเรียนเออเอาพวกที่อยากจะได้เงินอยากจะเรียนนี่ก็ให้เรียนกลางคืนกลางวันให้ทําเอาของทําอาหารทํานาทําไร่ทําสวนไอ้กลุ่มเนี้ให้มีคนคุมทําไร่ทําสวนอพอเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็เรียนกลางวันพราะมีเงินเอ้เสร็จแล้วก็พวกนี้พอเรียนกลางวันเหตุการนั้นพวกนั้นกลางคืนเข้ามา เออพวกนี้ก็ได้กินอาหารพวกนั่นแหละพวกอาหารเป็นพวกทำอาหารไอ้พวกนั้นพวกทําอาหารเลี้ยงพวกนี้ไอ้พวกนั้นใช้แรงพวกนี้ใช้เงินใช่ไหมล่ะอมันหมุนเวียนกันเนี่ยคือการบริหารในยุคสมัยนั้นนะทีนี้นก็พอตกกลางวันพอนอาจารย์ญญสอนเสร็จตอนเย็นเลยเขาไม่มีน้ําประปาเลยใช่ไหมล่ะไอ้คนที่อยู่มากไม่มีน้ําประปาก็พาลูกศิษย์ไปอาบน้ําลยไปอาบน้ําในแม่น้ําท่าน้ะ ไป 3, ามสี่ห0คนพาไปพาลูกศิษย์ไปอาบน้ำพอไปถึงต่นี้เจ้าฟ้าชายเมืองพาราณสีเนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเหมือนกันกับกษัตริย์ต่างๆแต่เมืองพาราณสีจะเป็นเมืองใหญ่นะถ้าเป็นเอเชียของวันน็้คือเป็นอินเดียหรือว่าจีนอย่างนี้แหละให้ใค้เข้าว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจจักรยภาพในการบริหารในกรุงพารณสีเนี่ย จากนั้นเจ้าฟ้าชายกรุงพหลนรีเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือด้วยกันพอไปอาบนะ้าอาจารย์ก็เดินไปไปก็ไปลูกสิทธิ์เนี่ยเออเจ้าฟ้าชายเนี่ยไปเห็นยายแก่เนี่ยกําลังตากถั่วที่สงอยู่ใช่ไหมจุกห้างถนน เ, นเออเจ้าฟ้าชา ย, ยก็ไปหยิบขยุกมองเอาไปก็ไปกินอาจารย์เหอะมันไมใ่ใช่ใช่ไหมล่ะมันไม่ถูกใช่ไหมเฮอจากนั้นก็ ต่อมาเอกมันเห็นอีกยายมาตากแถวใน อ, อาจารย์ก็เฮ่ดังก็เก่าอีกพอครั้งที่สามอีกท่นี่กำเอาเลยท่านนี่พอมันอร่อยใช่ไหมล่ะพอเรากระจายนี่ก็เลยโวยวา ย, ยท่นีย่ยายแกนี่โวยวายว้ยอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยทำไมนิสัยไม่ดีเลยเออทั้งที่จะมีมารยาทอย่างน้อยก็ขอฉันซะก่อนอันนี้ยิบขยุม่มเลยเหมือนกับอะไรต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไง ถ้าลักษณะอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีคือปีแปรอย่างนี้จะทำยังไงอ อ, อาจารย์โรเซ่ท่านอาจารย์ลูกทําไมอย่างนั้นอาจารย์ก็ได้บอกว่ายศจับ <laughs> ไอ้นัทพวกลูกน้องทั้งหลายก็จับเลยใช่ไหมเพราะอาจารย์สั่งให้จับพวกนั่งไอ้นึงผิดไอ้พวกนั้นก็จับเลยเพราะอาจารย์สั่งให้จับอ่าจับพวกนั้นก็จับพอจับได้อาจารย์ก็แซ่หัวดเลยใช่ไหมเนี่ยแซ่ใส่หลังเลยเพีย้ยเพีย้ยเพียเพยเพ้ยเลย พอใส่หลังเสร็จเรียบร้อยกัต่างคนก็ต่างไปกันทีนี่ไม่ไม่ว่าอะไรกันไปต่างคนก็ต่างไปเดินไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกลับมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอตักนั้นก็เข็ดแล้วีนี้โอ้อาจารย์เอาจริงใช่ไหมล่ะเออมันไม่ใช่ธรรมดาทนะี่ใครก็กลัวหมดแล้วไม่มีมารยาทเลยอาจารย์เอาจริงๆใช่ไหมพอต่อมาทีนี้ก็เรียนจบไปอาจารย์นักศึกษาในเรียนจบพอจบแล้วทีนี้ก็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 ที่อาจารย์เขียนหลังตัวเองนะเออจังเจ็บปวดอยู่ในใจออถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เนี่ยแล้วมันคงไม่หายโกรธว่ะเออนี่แหละถ้าไม่ได้กุดหัวอาจารย์เนี่ยคงไม่หายโกรธนะข่าวนี้วันจากนั้นก็เลยเขียนจดหมายไปไปหาอาจารย์ที่สัปพโมกอาจารย์ที่สัปพโมกก็ได้อ่านจดหมายโอ้ไอ้นี้เอได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ได้เป็นเพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ไม่ยังไม่ลืมอาจารย์ไว้เพราะอาจารย์โดนเขียนหลังไปแล้วมันยังไม่ลืมเน่ะโอ้เงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมมันวะไอ้กีดื้อนี่นะอาจารย์ก็ถือคล้ายๆว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรใช่ไหจบแล้วก็คือจบไปใช่ไหมตอนนี้อาจารย์ก็นั่งรถม้ามากับเมียของตนเองแม่บ้านเนี่ยพอมาเขาก็พระเจ้าเป็นนี่ก็บอกว่าถ้าเหานว่าอาจารย์มานะคนอย่างนี้นี่มาปล่อยเข้ามาเลยนะเขาก็สั่งสั่งไป แต่ถือมาเขากด ม, ม, ม, มามามาตามนั่นแหะมาตามที่เส้นทางพอมาถึงอะเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินก็นั่งอยู่ในท้องพระโรงในบัลลังค์ไงบัลลังค์ท้องพระโรงอย่างนี้แหละคล้ายๆกับว่านักโทษเข้ามานักโทษเข้ามาก็คือโทษใหญ่โทษที่หนักๆนะ่ะก็จะต้องผ่านพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทนับเป็นผู้ตัดสินทางว่าโทษเล็กโทษน้อยกับพวก อ, าอํามมัอวินิจฉัยคดีความถ้าโทษใหญ่ก็พระราชา แต่นี้คนก็ยกมาพระราชากับตตินเอาโทษประหารจําคุกอะไรลักษณะอย่างนั้นเนี่ยท่านี้ก็เห็นอาจารย์เข้ามาอาจารย์เดินเข้ามาอาจารย์ก็คิดว่าจะเข้ามาแลจะคารวะตามาตามที่เป็นพระราชานะพอลูกศิษย์นี่เหลือเพ็นอาจารย์เดินเข้ามาบอกว่าอาจารย์อาจารย์คิดดีอลไรอย่างเข้ามานี่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยคิดดีอลไรอย่าง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 หมู่เพื่อนของผมเท่าไหร่ผมมันไม่ได้เจ็บอยู่ที่หลังนะมันเจ็บที่หัวใจของผมต่างหากนี่แหละ ว, วันนี้อาจารย์มาในะคิดดีร อ, อย่างผมจะกดหัวอาจารย์เข้าใจไหมมาวันนี้ผมจะกดหัวอาจารย์ออถ้าเมื่ผมไม่กดหัวอาจารย์นะีผมไม่หายแค้นเพราะฉะนั้นผมจึงสั่งให้มาเนะี่ยอาจารย์คิดดีเหรีออ่ออาจารย์เลยเย็นก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรใช่ไหมตะลึงเลยอาจารย์ก็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 ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่เคี่ยนหลังของท่านนะท่านจะมีวันนี้ไหมท่านคิดดูซิ<อ>ถ้าว่าเราไม่เคี่ยนหลังท่านในวันนั้นท่านจะมีวันนี้ไหมท่านนิสัยเหลือขอพอแรงเนะ่ยที่เราดูพอเราเคี่ยนหลังเข้ามาท่านรู้สึกว่าสงบสงบลงไปเยอะเยอะเลยที่เราทำเพราะนั้นท่านต้องคิดดูให้ดีท่านจะทำอะไรฟังใช่ถ้าอาจารย์ไม่เคียนหลังข่าวนั้นนะเราคงไม่มีวันนี้ว่ะ เพราะเราโอ้โหมันมันมันเถือเขิล ม, มันดื้อแล้วเกินเออในช่วงนั้นอ่ะแต่พออาจารย์เคลื่อนหลังเท่านั้นแหละโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาได้เลียข้าจะเป็นใครเขาไม่ ไ, มได้เขาไม่ได้ละเว้นเลยเขาแทะหัวหลังเลยเ อ, อจากนั้นอาจารย์ก็เลยพระเจ้าเป็นเองก็เลยคาลงจากบันลังไปกราบเท้าอาจารย์ท่านอาจารย์ครับผมโสสารภาพผิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้อาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาใหญ่ของผมอก็เลยให้เป็นประธานองค์ข้ามูลทีเลยเหมือนกนเถอะเออก็เลยอยู่กับเออยู่กับลูกศิษย์หัวดื้อคนนั้นตลอดไปเลยนี่แหละเอแล้วว่าชาดกเลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนดื้อถ้าเราลงไม่ลงไม้เหลี้ยวจะเป็นยังไง ถ้าเขาจะเป็นปลาดตา่อไปภายภาคหน้าเขาจะต้องสํานึกได้ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่โดนอาจารย์ลงไม่เหลี้ยวแต่ขาวนั่นนะเราจะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ใจดีเอ้ยไงก็ได้เพราะนสูตรกัเลยเลอะๆเอๆเอๆเลอะๆเพรานสูตรอ่านหนังสือก็จะไม่ออกเอาทีนี่จบไปก็จบไปอย่างงั้นน่ะจบแบบไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเข้าอยู่ในชุมชนสังคมใดนู่นเป็นลบอยู่ทั้งหลังเขาเออไม่กล้าที่จะออกเผชิญหน้าเขาได้เพราะเหตุอะไร เพราะว่าความรู้โตอ่อนอความรู้ของเรามันอ่อนกว่าเขานีน่อันนี้เกิดเพราะอะไรเพราะอาจารย์ใจดีเอจะพูดออกไปก็กลัวเสียใจลูกศิษย์ลูกหาสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่ามันน่าจะเข้มแข็งนะลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานนะให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะอถ้าหากว่าพวกเราขี้เกียจเรียนหนังสือพอเข้าประชาคมอาเซียนนั่นแนะี่ะพวกเราอยู่ที่หลังเขา เดินตามหลังลาวเดินตามหลังกะเหม่นเดินตามหลังยวนเดินตามหลังพมา่านขายขี้หน้าจริงๆนะลูกหลานนะเอหลวงพ่ออยู่ในป่านี่จะมุดเข้าไปภูก้อนอีกใค้ลึกกว่านั้นไปอีกมัางนั้นเดี๋ยวถ้าลูกหลานโง่ถึงขนาดนั้นเพรานะนั้นลูกหลานนะอย่างโง่นะลูกหลานหลวงพ่ออินนะพ่อหลวงพ่ออิ น, นสร้างโรงเรียนมาเท่าไหร่แถบแถบนี่เห็นไหม เ, เดี๋ยวนี้ก็สร้างอให้อําเภอเพนี่ยู่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อ น่เห็นไหมที่นั่งผ่านไปเนี่ยนะโรงเรียนบรรนาคําน้อยนะเนี่ยอทั้งสิบหกห้องเรียนนะ่ะโหมดไปทั้งสี่ห้าหกล้านาทั้งอนุบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยเอาจากนั้นไปทางน้ําโสมเห็นไหมโรงเรียนจันตุ๊กจกโกธีระธรรมโมอที่น้ำโสมก็ทั้งสองหลังบักใหญ่สามชั้นนะทั้งสองหลังอยู่นั้นนะ่ะอยู่ที่อําเภอน้ำโสมนะ่ะอที่เอราวันกันหลังหนึ่งเห็นไหมที่เชียงคานอีก ที่อำเภอหนองสูงคำชีอีแถบแถบนั้นเนี่ยหลายสิหลังหลวงพ่อสร้างโรงเรียนเพราะนั้นสร้างให้กายก็สร้างให้เพื่อลูกเพื่อล้านให้เพื่อการศึกษาไม่ได้สร้างเพื่ออย่างอื่นนะเพื่ออยากจะให้ลูกหลานเห็นลูกหลานเป็นคนดีเห็นไหมโดมของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์เนี่ยหลวงพ่อไปทอดผ้าป่าให้ตั้งได้ทั้งสมล้านแต่คิดว่าเขาจะใช้เงินประมาณสักหล้านหลังนี่นะโดมแบ บ, โ, บโดมใหญ่ มีแต่หลังคากับเสาสำหรับให้ลูกหลานเข้าไปท ำ, ท, ำทำพิธีกรรมวันแม่วั น, วนพ่อวันอะไรวันไหวครนะูเดี๋ยวนี้นักเรียนตากแดดทำทั้งสามสี่ชุดแต่ถ้าคว่าเป็นอย่างนี้ได้นักเรียน3 0 0พันกับหนึ่งคนนี่น่าจะเพียงพอโดมหลังนี้นี่แหละหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มองมองข้ามไม่ได้ดูได้ในการที่ดูการศึกษาและก็พร้อมกันเนี่ย นักเรียนพยาบ า, าลราชช น, นีทางไปนงโนนสูง เ, เขาจะทอดป้า ป, ป๋าเพื่อจะซื้อรถให้พยาบาล เ, เป็นโรงเรียนพยาบาลหลวงพ่อเออถ้าว่าลูกหลานใครก็ตามมาเรียนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้เขาก็คงจะเป็นห่วงลูกห่วงหลานของเข า, เาไปนอนอยู่บ้านหลงนนังนั้นตียนั้นจากนั้นก็มานั่งรถสองแถวนั่งรถอีตุกๆอกลับไปถึงบ้านแต่ถ้ามันมีรถบัส เประจอดที่ข้างถงนนก็วิ่งแล้วก็ส่งส่งส่งส่งความปลอดภยัยพ่อแม่เขาได้ยินก็คงจะดีอกดีใจเพราะว่าปลอดภยัยลูกหลานในคืนรถบัสแล้วก็ลงถึงที่พักพาอาศัยของตนเองพอรถบัส น, นําส่งถึงสถานที่นี่แหละราคาเท่าไหร่ราคาห้าล้านห้าล้านห้าแ0นแต่ลงพอกอเอ อ, เ อ, อไปเป็นประทานพลในสุดได้ห้าล้านสามแ 0,000 นนะเดี๋ยวนี้กําลังสังส่งทํารถอยู่ที่ ลาดบุรีอืที่แรกไปจะเอารถโกราชเอแต่นี่เป็นเป็นบลูโว่ถ้าวนโว่เนี่ยมันราคามันห้าห้าล้านห้าแสนห้าล้านห้าแสนก็พอแต่ว่ามันเป็นรถฝรั่งมาถ้ามันเสียหายขึ้นมามันซ่อมยากเอถ้าว่าเป็นรถทางราชบุรีเนะ่ะรถบ้านนั่นอะ่ะเออันนั้นว่าเป็นรถฮิโน่รถฮิโน่รถสองชั้นเหมือนกันนะอแตม่มันราคารถลงน้อยนึง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 อหมดไปแปดสิบกว่าล้านเสร็จแล้วมอบงบหมดสุดท้ายแล้วแต่เราที่มีแต่หาวันฉลองเด่นหลวงพ่อยังติดงานหลวงปู่จามอย่างที่ว่านเดี mm. ๋ยวนี้มีแต่พวกญาติของป่วยขึ้นไปนอนอไปนอ น, ไปนอนไปนอนอยู่ในตึกนั้นเพราะเราไม่ให้ยังไม่ให้ลดขึ้นไปจอดใช่ไหมเนี่ย mm. นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่ อ, เ, อเรื่องพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์หลวงพ่อก็ได้ ไม่ได้มองข้ามอีกเหมือนกันการศึกษาการแพทย์หลวงพ่อคิดว่าคนในชาติของเราชาติไทยของเราถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีครูบาาจะไม่ใส่ใจนักเรียนไม่ใส่ใจในการศึกษา ป, า, ไปไ า, า, าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไรถ้าว่าประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไปแล้วเนี่ยการศึกษาก็ดีการ อ, อยู่การกินอะไรดีหมดแต่การแพทย์ไม่ดี และจะเป็นยังไงเ อ, อคนที่เจ็บไข้ที่ปว่วยก็ต้องเอาเงินขนไปเมืองนอกเพื่อรักษาสุขภาพรักษาร่างกายของตัวเองเป็นเงินเท่าไหร่ที่มันเสียไปนั้นนะ่ะเมืองไทยมันน่าจะให้มีแพทย์ที่ดีที่สุดการแพทย์ต้องให้ดีที่สุดเ อ, อเหมือนกับรถเนี่ยเราจะซื้อซื้อมาจากประเทศไหนก็ตามจะเป็นโรซลอยก็ตามจะเป็นเบนซ์เป็นบีออะไรก็ตามอีกสักวันเนมันต้องเข้าอู่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 ทำไมไปปิดถนนอทำไมไปปิดถนนตัวเองไปปิดถนนก็เหมือนกับปิดทุนทางตัวเองพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายใช่ไหมล่ะอบางทีเมียตัวเองจะออกลูกเขาคนมาปิดบางทีพ่อตัวเองใจจะขาดเขาไปปิดถนนแล้วจะไปอยู่โรงพยาบนลได้ยังไงไมปิดถนนก็มือนกับปิดตั ว, ตวเองเนี่ยการู้อยู่แล้วว่าผู้แทนราดชะดอเป็นไข่ในท้องถิ่นเราเลือกใข่เป็นผู้แทน ทำไหมเรายังไปเป็นล้อมบ้านผู้แทนไปล้อมบ้านผู้แทนมาจริงอยู่ไปล้อมานายอำเภอก็ไม่ทุกไปล้อมบ้านผู้ว่าก็ไม่ทุกเพราะผู้แทนของเราคือใครผู้แทนราฐดอนต้องไปล้อมบ้านผู้แทนท่านผู้แทนข้าวไปเจ้าเดือดร้อนระยะราคา ย, ยางมันถูกนะท่านต้องไปพูดกับรัฐบาลข้าวไปเจ้าเดือดร้อนถ้าท่านไม่มีความสามารถให้ท่านลาออกจากผู้แทน มันจึงจะถูกอันนี้ไปปิดถนนให้โง่ทาไมหลวงพอ่อแต่อย่าไปพูดไปพูดมานะ ล, ลูกหลานนะอย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะนำเน่าแมนบอกคูบาาา่บาดจานบะฮะแต่อย่าไปบอกว่าหลวงพ่ออินแนะนำเ น, น่าะวะพูดให้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสันใครเป็นหัวหน้าใช่ไหม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 หลวงพ่อแนะนําลูกหลานหลายๆมุมหลายๆมองเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่นี่นเขาเขาก็มาถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะหลวงพ่อถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงถ้ามันเปลีย่ยนไปอย่างทุกวันเนี้เพราะมันมีพรรคมีพวกหลวงพ่อบอกในความเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่ระบบใหม่นะั่นคือยังไง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 ได้ให้เป็นผู้แทนของตัวเองให้เลือกผู้แทนของตัวเองพอเลือกเสร็จแล้วให้ผู้แทนตัวเองเป็นผู้แทนของข้าพาเจ้าแต่เนี่นกับผู้แทนต่อผู้แทนก็มามาคุยกันผลประโยชน์มันจะได้หารลงกันจะเอาลงไปที่ไหนลงไปที่ไหนไปเป็นยังไงอมันมั น, ม, น, ม, นมันต้องลักษณะอย่างนี้นะแหละแบ่งกลุ่มใหม่ใคล้ายๆกับวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราคิดดูใช่ไว่าพ่อค้าเนี่ย พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าข้าวเนี่ยกินหัวเกษตรทําไมขนาดข้าวจะได้ยุงในฉางตัวเองเดือนเมษาแท้ๆยังไปหักความชื้นออกอยู่ใช่ไหมมันจะชื้นได้ยังไงมันเดินเมษาอยู่ในยุง้งใช่ไหมมันหมดความชื้นแล้ยังไปหักสิ่งแป๊บอรสิ่งเจียโปรเอ็กมันหมดไปอีกเท่าไหร่ไสิ่งเจียโปนกับสิ่งเหล่านั้น่เพราะมันหักจน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 แต่เนี้ขาลาราชการก็เหมือนกันกินหัวกินหัวพ่อค้าข้าราชการถ้ามึงจะมึงจะทำถนนทําให้กูห้าสิเปอร์เซ็นสี่สิเอร์เซ็นกินหัวขีวกูจะไม่เซ็นให้มึงเออมาถ้าเอามาน้อยมันแบ่งกันไม่ทั่วถึงพอได้เจอกับพ่อค้าทั้งหลายก็ยอมระยอมเซ็นให้แล้วก็ไปทำถนนมันก็หวยทั้งหมดเลยปนเออทั้ทงที่มันจะมีหินเออมีแต่ดินเหนียวซัดลงไปใช่ไหม เออเขียนแลรกกับผมก็ไปเปไน็นไรจบไปเออเซ็นให้ผมกินเงินของเขาแล้วนะอันนี้แหละประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อวายมันมันมั น, ม, น, ม, นมันต้องปรับปรุงใหม่อันนี้แหะนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาฟังไว้นะลูกหลานนะทูตเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะให้ฟังเอาไว้อันนี้เพื่อการศึกษาทั้งหมดนะหลวงพ่อพูดให้ฟังในเพื่อการศึกษาเนะี่ยทามันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรทิ้งเลยเนี่ยถ้ามันถูกโอ้ชยัยน่าจะไปคิดต่อใช่ไหมล่ะเออ เอาละพอแล้วเอาละพอฉบับ